เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีลุงชัยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นเรายังเป็นเด็กช่วงปิดเทอมเราว่างมากพ่อเราจึงบอกให้เราไปอยู่กับย่าสักสองสามอาทิตย์เราก็เงาเงาและก็มีเพื่อนวัยเด็กแถวแถวบ้านย่าด้วย เลยตัดสินใจว่าจะไปอยู่บ้านย่าสักพักพอถึงเวลาพอเราก็ขับรถพาเราไปบ้านย่าซึ่งบ้านย่าอยู่ไกลมากซึ่งเรียกว่าบ้านนอกเลยก็ว่าได้พอถึงบ้านย่าแล้วพอเราก็ช่วยยกของจนเสร็จแล้วก็กลับช่วงเวลาประมาณหกโมงเย็นเพื่อนที่เราสนิทรู้ว่าเรามา ก็เลยชวนเราไปเที่ยวงานขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านเพื่อนของย่าเราตรงหน้าปากซอยเราก็เที่ยวตามประษาเด็กแล้วถึงช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มย่าก็มาตามเรากลับบ้านซึ่งขณะที่เรากำลังสนุกอยู่เลยก็ไม่อยากกลับทำให้ย่าโมโหรีบดึงมือกลับทันทีแล้วพูดว่าช่วงดึกๆึกอยาออกไปเที่ยวอีกมันอันตราย ในขณะที่จะเดินกลับบ้านซึ่งบ้านเราไม่ไกลจากปากซอยมากนักเราเห็นลุงผู้ชายแก่คนหนึ่งนั่งที่ศาลาไม้ข้างถนนเราเลยถามย่าเราว่านั่นเป็นใครทำไมอยู่ตรงนั้นคนเดียวย่าเราก็ไม่พูดอะไรดึงมือเราเดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงบ้านเหตุการณ์ทุกอย่างก็ปกติ จนอีกสามวันผ่านไปเรานั่งดูหนังผีเรื่องจันเอย๋ยจันเจ้าเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าๆหนังใกล้จบในขณะที่เรานั่งดูหนังก็มีเสียงหมาเห่าเยอะมากซึ่งเราก็ไม่เอะใจอะไรเพราะแถวบ้านนอกเขาจะเลี้ยงหมาเยอะอยู่แล้วจู่อยาของเราที่อยู่ในห้องครัว ก็รีบวิ่งมาปิดและล็อกประตูและหน้าต่างทุกบานซึ่งเราก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้ถามอะไรแล้วก็ดูหนังต่อพอเสียงหมาเห่าและหอนมาอยู่หน้าบ้านเรายาก็ปิดไฟทุกดวงและปิดทีวีหมดซึ่งตอนนั้นเราตกใจมากแต่ยังมีแสงจากไฟห้องน้ำที่ปู่เรากำลังอาบน้าอยู่ ส่องมานิดหน่อยเราเห็นย่ากาลังท่ำมองไปในช่องเล็กของประตูหน้าบ้านกับสีหน้าที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เราเลยถามย่าว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งย่าเราก็บอกว่าให้เราไปเรียกปู่แล้วบอกว่ามันมาหน้าบ้านแล้วเราก็รีบวิ่งไปที่หน้าห้องน้าแล้วเคาะประตูเรียกปู่แล้วพูดตามที่ย่าบอก ปู่เรารีบออกมาจากห้องน้ำแล้วทำสีหน้าตกใจมากซึ่งเราก็ไม่กล้าถามอะไรกลัวเขายุ่งยุ่งกันอยู่สักพักเสียงหมาเหา่าก็ผ่านหน้าบ้านเราไปทางบ้านป้าซึ่งอยู่ข้างบ้านนั่นเองปู่กับย่าเราจึงรีบดึงแขนเราไปที่ห้องครัวแล้วทัามองจากรูเล็กๆสีหน้าทั้งสองเครียดมากทั้งสองท่าน จ้องอยู่นานมากเราจึงตัดสินใจถามว่าเกิดอะไรขึ้นย่าจึงให้เราดูผ่านช่องเล็กๆนั้นซึ่งห้องครัวของย่าจะอยู่ติดกับห้องนั่งเล่นของบ้านป้าเราพอดีซึ่งภาพที่เห็นไกลๆ ก, ก็คือมีร่างผู้ชายบอบบางแก่มากนั่งบนหน้าต่างกินอะไรสักอย่างในบ้านป้าซึ่งปู่ ก็รีบโทรหาป้าที่อยู่บ้านคนเดียวเพราะสามีของเขาไปทํางานที่ต่างจังหวัดเพื่อที่จะบอกป้าเพราะกลัวว่าจะเป็นขโมยแต่ตอนนั้นป้าน่าจะหลับไปแล้วเราเห็นผู้ชายคนนั้นค่อยคอยหันหน้ามา ก, ก็รู้สึกตกใจมากเลยรีบถอยตัวออกมาวินาทีนั้นกลัวมากปู่กับย่า เขารีบพาเราขึ้นไปนอนแล้วเสียงหมาเห่าก็ค่อยๆเงียบลงเราเคลิ้มหลับไปพอตกช่วงดึกเราสะดุ้งตื่นเมื่อพลิกตัวมาทางหน้าประตูก็เห็นเงาดำๆนั่งกินอะไรไม่รู้ซึ่งเรานอนกับปู่และย่าเราตกใจมากแต่ขยับตัวไม่ได้ก็เลยหลับตาตั้งสติ แล้วลืมตาขึ้นมาอีกทีก็ไม่เจออะไรเลยเราคิดว่าคงฝันไปแน่ๆเพราะสิ่งที่เราเจอก่อนหน้านี้เลยทำให้เก็บมาฝันพอเช้าวันรุ่งขึ้นยาก็รีบไปเล่าให้ป้าฟังป้าก็ตกใจมากแล้วพูดว่าผีลุงชัยแล้วป้าก็รีบไปวัด เราสงสัยเลยถามไปว่าลุงชัยคือใครญาก็เล่าให้ฟังว่าลุงชัยเขาเป็นขี้เล่าเป็นโรคประสาทชอบมาขอเล่าที่บ้านคนอื่นกินเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาลุงชัยตกน้ำบ่อตายเพราะความเมาไม่มีญาติมาจัดงานศพให้เพราะติดต่อไม่ได้จึงทาพิธีแล้วเผาเลยจากนั้นลุงชัย ก็ไปหลอกหลอนชาวบ้านโดยการเข้าบ้านคนที่เคยเข้ามาแล้วตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งบ้านของปู่ย่าเรานี้ลุงชัยก็เคยเข้ามาขอเล่ากินแต่ย่าไม่ให้แล้วไล่ลุงชัยออกไปเราตกใจมากที่ตอนกลางคืนคนที่เราเจอกับคนที่นั่งศาลานั้นก็คือลุงชัยนั่นเอง เมื่อเราได้ยินเรื่องที่ย่าเล่าให้ฟังแล้วเราก็กลัวมากอยากกลับบ้านพ่อแต่ย่าบอกว่าไม่ต้องกลัวบ้านเรามีห้องพระย่าสวดมนต์ทำสมาธิทุกคืนจากนั้นหมาก็เห่าทุกๆคืนแต่ไม่เคยได้ยินเรื่องลุงชัยอีกเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเวลาประมาณทุ่มสองทุ่มป้าคนที่เขาโดนลุงชัยเข้าบ้าน จูๆ่ๆเขาก็เดินมาหน้าบ้านเราแล้วแลบลิ้นเหมือนหิวอะไรเขาทำหน้าอย่างนั้นใส่ยากับเราในขณะที่เรากับย่านั่งดูทีวีกันอยู่ย่าตกใจมากเลยตะโกนด่าป้าเราว่าอีขนันอย่ามาทำแบบนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าป้าของเราเป็นคนใจดีมากเป็นคนรักเด็กรักเรามาก เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กๆ เ, เราตกใจและงงมากว่าป้าเราทำอะไรแล้วป้าก็เดินกลับบ้านไปย่าเราก็บอกว่าความเชื่อโบราณถ้ามีใครแลบลิ้นใส่โดยที่เขาไม่รู้ตัวจะเป็นลางว่าเขากำลังจะตายซึ่งเราก็ไม่เชื่อเท่าไหร่เราว่าย่าของเรางมงายแต่พอคืนนั้น ตอนที่เราเข้าห้องนอนเสียงนกแสกก็ดังมากที่ข้างบ้านซึ่งความเชื่อโบราณบอกว่าถ้านกแสกร้องที่บ้านใครคนในบ้านนั้นจะตายแล้วพออีกสองวันถัดมาเราก็ได้ยินข่าวว่าป้าของเราเข้าโรงพยาบาลเพราะป่วยหนักพอเราไปเยี่ยมป้าที่โรงพยาบาลเราเห็นป้าผอมโทรมลงมาก จากที่หุ่นของป้าเป็นคนอ้วนๆราเริงยิ้มแย้มกับเด็กๆหลายเป็นคนที่นอนโสมอยู่บนเตียงแล้วเราก็กลับบ้านหลับพอประมาณตีสี่ตีห้าย่าก็เรียกเราตื่นแล้วบอกว่าป้าขานตายแล้วเราตกใจมากเรากับย่าและชาวบ้านคนอื่นๆก็ไปที่บ้านป้า ก็ได้เห็นศพของป้าซึ่งผอมมากตอนนั้นเราต่างรู้สึกเสียใจกันมากๆพอทำพิธีกรรมต่างๆและเผาศพเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับบ้านพ่อกับแม่เพราะใกล้จะเปิดเทอมแล้วอีกสามวันอย่าเราก็โทรหาพ่อแล้วคุยกันนานมากเราเลยถามพ่อว่าญาโทรมาทำไมพ่อก็บอกว่า มีลุงที่ท้ายหมู่บ้านผูกคอตายเราตกใจมากเลยไปร่วมงานศพซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุงคนนั้นเพราะตอนนั้นเราไม่ได้มาบ้านย่าเลยแล้วพออีกสักประมาณสองเดือนเพื่อนสนิทที่แถวบ้านย่าก็โทรมาบอกว่าแม่ของน้องบุม๋มผูกคอตายซึ่งน้องบุม๋ม เป็นรุ่นน้องที่เล่นด้วยกันตอนเด็กๆ เ, เพื่อนของเราเล่าว่าแม่ของน้องบุ๋มอยู่ๆก็เป็นโรคประสาทเพราะเห็นน้องบุ๋มเป็นเด็กใจแตกพาผู้ชายมานอนที่บ้านน้องบุ๋มยังอยู่แค่มศรีมศรี 4, อยู่เลยด่าก็ไม่ฟังแล้วรวมถึงพฤติกรรมต่างๆของน้องบุ๋มที่ก้าวร้าวด้วยรวมถึงพ่อแม่ของเขาก็เป็นโรคประสาท จึงผูกคอตายที่บ้านของตนเองเราเลยไปร่วมงานศพแม่ของน้องบุม๋มไปกับย่าและปู่แล้วเราก็กลับบ้านพ่อเราจนเมื่อผ่านไปสอ ง, งสมเดือนจากที่แม่น้องบุ๋มตายก็มีป้าที่หน้าหมู่บ้านตายอีกคนหนึ่งชื่อว่าป้ะพัดไม่รู้สาเหตุการตายซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ตายนี้ จะเกี่ยวอะไรกับลุงชัยหรือเปล่าแต่ว่าคนที่หมู่บ้านทยอยตายกันบ่อยมากซึ่งเมื่องานศพของป้าพัทผ่านมาได้ไม่นานเราก็มาอยู่บ้านพ่อกับแม่ยาวเลยเพราะเปิดเทอมพอดีนานๆทีเราถึงจะได้เป็นนอนกับปู่ย่าแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ยินเรื่องของลุงชัยหรือใครตายอีกเลยเรื่องที่เล่านี้ เนเรื่องที่เราพบเจอจริงๆเราไม่รู้สาเหตุของการตายและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เรากลับบ้านพ่อแม่ก็เลยรู้มาแค่นี้ปัจจุบันบ้านของปู่ย่าเราก็สงบสุขดีเมื่อหลังจากที่พะพัดตายได้สักสองเดือนชาวบ้านก็ติดต่อญาติของลุงชัยได้แล้วและลูกของลุงชัย ก็มาทำบุญและทุบบ้านลุงชัยซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้ทำเป็นโรงสีข้าวไปแล้วแล้วก็ไม่มีข่าวเรื่องผีลุงชัยอีกเลยแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับต่างๆอย่าลืมกด subscribe ช่อง เรื่องเล่าผีหลอนกันด้วยนะครับ